ความรู้ในอัดความรู้ในธรรมก็จะมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมีความรู้อัจรู้ธรรมก็เกิดความปราบปลื้มใจปราโมทเนี่ยนะเกิดความปลื้มใจนั้นแหละปราโมทก็เป็นเหตุให้เกิดปีติคือความอิ่มใจเมื่อมีใจประกอบด้วยปีติก็มีปัสสกายะยปัสสัาธิผู้มีกายปัสสถานย่อมได้สเสวยสุขผู้มีผู้มีความสุขจิตย่อมตั้งมั่น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 อริยาสาวกเป็นผู้ถึงความสงบเรียบร้อยในหมู่สัตว์ผู้ไม่สงบเรียบร้อยเ้าเรียกว่าเป็นผู้สงบในหมู่สัตว์ที่วุ่นวายพราะยะงนั้นนยเป็นผู้ที่มีความสงบในหมู่สัตว์ที่ไม่มีความสงบสงบนี้สงบทางไหนสงบทางกายวาจาและใจถ้าอริยาสา ว, วกขณะนั้นเนี่ยกายวาจาใจท่านสงบเรียบร้อยในหมู่สัตว์ที่ไม่สงบเรียบร้อย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 ถามว่าใจของเราที่เป็นพู้ทานุสติเนี่ยจะให้มีแบบหลังแบบไหนดีพังเงอบพังงาบตกตกลงเข็มเท่าไหร่ดีมั่นคงก็ดูสภาพจิตเอากันแล้วกันนะสังเกต ด, ดูตอนไหนรู้ไหมมันมั่นคงหรือไม่มั่นคงอัน น, นี้นี่พูดแบบอันนั้นพูดจริงๆรนะิงไดูสังเกตจากส่วนมโนเนี่ยมันพังเงอบพังงาบไหมเอนโนนทีเอนี่ทีนั่นแหละดูแล้วว่าโหเรือน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 คนที่มีศรัทธาในมงคลสูตรสวากขาโตภควตาธ ร, รมโมเนี่ยนะมงคลสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิทิโกถ้าปฏิบัติตามนั้นจริงก็ได้ให้ผลตามนั้นจริง น, นะก็ต้องเอาพระสูตรมาตั้งก่อนเนี่ยนะเอาพระสูตรใดสูตรหนึ่งมาตั้งว่าเช่นมงคลสูตรเนี่ยสวากขาโตภควตาธรรมโมมงคลสูตรนี่สันทิธิโกมงคลสูตรนี้เป็นอะกาลิโกมงคลสูตรเป็นโอปัยิโกเป็นต้นเนี่ยพระธรรมที่ปรับตามนั้นเนี่ยดีจริงๆ หรือไม่ก็เอาโพธิปักขยธรรมมาว่าโพธิปักขยธรรมเนี่ยสวากขาโตภะวะตาธรรมโมโพธิปักขยธรรมพรจะพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นตน้นนะหรือไม่ก็อริยสัจธรรมเนี่ยนะอริยรสัจสี่ประการเนี่ยสวากขาโตภะวะตาธรมโมสันทิฏฐิโกอาการิโกจะทั้งมีคําสอนที่เป็นอยู่เบื้องหลังหรือไม่ก็เอาศีลสมาธิปัญญาก็ได้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 แล้วกออ็ท่านเหล่านั้นปฏิบัติดีจริงๆนะท่านปฏิบัติตามมงคลจนได้บรรลุเมื่อไรนะเราจะได้บรรลุคือเรียกว่าเป็นผู้กระยิ่มอคําว่ากระยิมภาษาภาษาภาษาโบราณนะครับว่าเหมือนสัตว์นรกกระยิ่มผู้ที่จะจะไปสวรรค์ฉะนั้นอคําว่ากระยิมตัวนี้แปลว่าอยากเป็นอย่างนั้นบ้างอ่นะนะเมื่อฟังเขาบอกว่าผู้ที่ระลึกแบบนั้นเนี่ยต้องมีใจบอกอยากเป็นอย่างนั้นจริงๆ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 เทวดาเหล่าพรห ม, มกายิกามีอยู่หรือที่สูงกว่าพรหมเหล่านั้นมีอยู่เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศรัทธาเช่นใดจุติจากโลกนี้แล้วอุบัติในเทวดาชั้นนั้นศรัทธาเช่นนั้นแม้ของเราก็มีอยู่เทวดาชั้นดาวดึงเอชั้นจาตุมก็ ม, มีศรัทธา เ, เขาก่อนหน้านี้นะเทวดาเหล่านั้นก็ไปจากมนุษย์นี่แหละนะตังกัต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 เท ว, วตานุสตีนันเป็นการที่เรียกว่าปรารพถึงคุณธรรมของตนที่คู่ควรที่ได้ไปเกิดณที่นั้นดูก่อนมหานามะสมัยใดอริยะสาวกระลึกถึงศรัทธาศีลสุตะจากฆะและปัญญาของตนและของเท ว, วดาเหล่านั้นเนืองๆนะคือเห็นเลยว่าเท ว, วดาทุกชั้นก็มีศรัทธาศีลสุตะจากฆะปัญญาเราเองก็มีศรัทธาศีลสุตะจากฆะละ ปัญญาถ้าระลึกอย่างนี้ได้เนืองๆสมัยนั้นจิตของพระอริยาสาวกนั้นไม่ถูกราคะกลุ้มรมไม่ถูกโทสะกลุ้มรมไม่ถูกโมหะกลุ้มลมย่อมเป็นจิตดําเนินไปตรงทีเดียวก็อริยาสาวกผู้มีจิตดําเนินไปตรงเพราะปรารบเทวดาย่อมได้ความรู้อัดได้ความรู้ทําได้ความปราโมดอันประกอบด้วยธรรม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 ละความสงสัยในคุณพระธรรมและพระสงค์ให้เป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในสัมมาปฏิปทาตรัสรู้อริยสัจนะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่วนกั น, นในที่สุดนี้ขอความขอสัปพ้ามองคลจงมีแก่ท่านขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดไป